ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงความคิดของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัรู้อนุตตรสมาสมโพธิญาณก็ได้เล่ามาตามลำดับมาตรงช่วงที่ถือว่าสำคัญก็คือเรื่องของปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาท ก็ทรงคิดจากปลายมาถึงโคนคือจากชาติกับชรามรณะมาสู่อวิชชาแล้วในการต่อไปก็จะพูดจากอาวิชชามาสู่ชรามรณะแต่วันในช่วงนี้กำลังพูดถึงองค์ธรรมแต่ละข้อแล้วก็มาถึงช่วงที่เรียกว่าพระวิชาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ คำว่าอวิชานั้นแปลว่าความไม่รู้ความมืดบอดหรือรู้ไม่จริงโดยทั่วไปก็น่าจะแปลว่ารู้ไม่จริงมากกว่านะเพราะว่าเราก็รู้อะไรกับพอสมควรแต่ว่ากรอบของคาว่ารู้ที่เราเข้าใจกับที่ท่านมุ่งหมายนั้นต่างกันคือของท่านถ้าบอกว่ารู้มันต้องกระจาดความไม่รู้ความไม่รู้เป็นการเป็นที่มาของสับกิเล ท, ทั้งหลาย ผลคำารู้ของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องลดกิเลสได้เช่นว่าความรู้ระดับศีลเป็นคําเป็นความรู้ถึงสิทธิของบุคคลอื่นสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นสิทธิในกู้ของของบุคคลอื่นสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นแล้วเราก็เคารพเราไม่ล่วงละเมิดเราคงมีโรคโ ก, กนลงอยู่นั่นแหละแต่ว่า ยังยังไงเราก็คุมไว้ได้แต่วันใดที่คุมไว้ไม่ได้มันก็จะประสบปัญหาจากอาวิชชาด้วยตัวของตัวเองเพราะนันเวลาพูดในแนวของความรู้ท่านจะเรียงไว้เป็นสามระดับใหญ่ๆระดับแรกเราเรียกว่ายาตบปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้ทางภาษาทสัมผัส เรียนรู้รูปด้วยตารู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรู้เย็นร้อนนแข็งด้วยกายแล้วก็รู้อารมณ์ด้วยใจแค่นี้ก็ถือว่ารู้รู้อะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ดีชั่วอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับปัญหาในบ้านในเมืองเราจะถามว่าเรารู้ไหมมีปัญหาอะไรบ้าง จะตอบว่ารู้ก็ได้นะฮะตอบว่าไม่รู้ก็ได้แต่ในแวดวงของวิจารารแวดวงของนักบริหารนักการศึกษานักศาสนานั้นก็มีการพูดเรื่องไม่รู้ตรงกันพูดเรื่องปัญหานั้นตรงกันก็แสดงว่าเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้ จะต้อ ร, รู้ถึงคุณภาพของประชากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านจิตใจด้านพฤติกรรมเรามีปัญหาเรื่องความรู้มีปัญหาเรื่องความคิดมีปัญหาเรื่องความสามารถแล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณธรรมที่เหมาะสมในการใช้ความรู้ความคิดความสามารถบางทีความรู้เขาก็ดีมีเป็นญาตรีโทเอก แต่ว่าถึงคราวจะใช้ความรู้ขึ้นมาเนี่ยใช้ความรู้ไม่เป็นใช้ความรู้ไปเพื่อสร้างปัญหาแก่ตนเองให้แก่บุคคลอื่นอย่างนี้ก็เป็นอาการของพิชาพเพราะว่าโลภะโทสะโ ม, มหะไม่ได้ลดลงมาเลยปัญหาประการหนึ่งเป็นปนัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของประชากรภายในชาติเราพูดกันสี่ข้อตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดเรื่องปัญหาเรื่องความรู้ความยากไร้โรภคภัยไข้เจ็บขาดการวางแผนครอบครัวเอกสารสำหรับตำนานเยอะไปหมดเกลื่อนไปหมดแล้วก็พูดกันได้ทุกคนแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาไหมเรามีปัญหาเรื่องความไม่รู้เราก็มีปัญหาเรื่องความยากไร้เรามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรามีปัญหาเรื่องวางแผนครอบครัวเหมือนเดิม เขบอกว่าลูกมากจะยากจนคนยั่งยากจนยิ่งมีลูกมากคนมีฐานะบางครั้งร่ารวยน่าจะเลี้ยงเด็กได้ลหลายๆคนก็ไม่ยอมมีลูกกันจตในสุดก็มาเพิ่มคุณภาพของประชากรคือประชากรที่มีคุณภาพไม่ได้ดีกลายเป็น ล, ลูกตุ่มถ่วงสังคมมันก็เหมือนกับประเทศอินเดียเราเจนว่าประชากรที่เป็นลูกตุ่มถทวงอยู่เนี่ยเป็นร้อยๆยล้านมันไม่ใช่ไม่ไปคนสองคน กลายเป็นโครนติดล้อทันทีล้อขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะโครนมาติดเอาไว้เรามองในแง่ของความมั่นคงเราก็พูดถึงความมั่นคงในสีด้านความมั่นคงในเศรษฐกิจในการเมืองในการทหารในสังคมเชิวิทยาแน่นอนเราเน้นแตกต่างกันทหารก็คงเน้นสายทหารนะักการเมืองก็เน้นสายการเมืองเศรษฐกิจก็เน้นทางเศรษฐกิจนักสังคมก็จะเน้นทางสังคม แต่แสดงว่าเรารู้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้เพราะเราละสาเหตุของปัญหาไม่ได้ปัประเด็นมันจึงต่างกันตรงนี้เองของท่านนั้นคําว่ารู้ก็คือต้องขจัดไม่รู้ได้เมื่อขจัดความไม่รู้ได้อวิชชาต้องอวิชชาต้องลดลงไปวิชาลดโลภะลดโลภะลดโทสะลดโทสะลดโมหะลดปังก็ลดไปเป็นแถวไปเหมือนกับการเกิดน่ะการเกิดให้เราสังเกตว่าการเกิดเช่นสมมุติว่า อริมมีองค์แปที่เราเริ่มด้วยสมาธิฏิเมื่อเรามีสมาธิฏิก็ทําให้เกิดสัมมาสังกัปปะเพราะมีทิฏฐิซึ่งมีมีสัมมาวาจาเพราะมีสมาธิฏิจึงมีสัมมากรรมันตะมีทิฏฐิจึงมีสัมมาชีวะก็ว่าไปเรื่อยนะเพราะสมาทิฏฐินี่ทําให้อริมักอีกเจ็ดข้อมันเกิดขึ้นมาสมาธิฏิเป็นตัวรู้อริมักแต่ละข้อรวมทั้งสมาธิฏฐินั้นทําลายกิเลสที่ตรงกันข้ามกับตน เพราะความรู้จึงต้องเกิดขึ้นจากพัฒนาการทางจิตปัญญาบนกระแสะของอริมักเปโองแปดประการความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งเราเรียกว่าปริยัติศึกษาเรียนรู้ทางวัสดสัมผัสนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อบ่งชี้ว่าเราเป็นคนดีแต่ก็บอกได้นะฮะเรารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นก็ตามกรอบอบข่ายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาความรู้ประการหนึ่งเป็นความรู้ แต่พูดระดับปัญญาเราเรียกว่าจินตามั ญ, ญปัญญาแต่พูดเรื่องปริญญาเราเรียกว่าตรีณปริญญาเป็นการวิเคราะห์วิจัยสอดส่องเทียบเคียงเพ่งปินิศพิจารณาสืบสาวหาเหตุหาผลในเรื่องเนั้นเป็นระบบแต่มันเป็นความคิดก็เป็นได้แค่นักคิดไม่ใช่นักรู้เพราะก็จริงเราจะเห็นว่าอย่างนักคิดนักวิจารารนักวิพากษ์สังคมทั้งหลายเนี่ย มองออกไปข้างหน้าด่าคนอื่นคนอื่นโง่หมดเล็วหมดไม่มีใครดีเลยนอกจากตัวแก่คนเดียวแล้วในบ้านเมืองเรามีคนอย่างนี้อยู่ตลอดถามมันจะเพราะประเทศไทยไหมไม่หรอกทุกส่วนในต่างกงโลกนั้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นก็คือธรรมชาติว่าตรงนี้ที่จริงมันมีอวิชชาอยู่เพราะนะคำว่าไม่มีอวิชชาก็ต่อเมื่อมันปฏิบัติไปเข้าถึงจุดหนึ่งเป็นความรอบรู้ระดับที่เรียกว่าปะหานปริญญา รู้เราตามกระบวนการของรีสั์นั่นแหละแล้วจึงจะทํำลายอวิชชาได้เพราะปัญหาตรงนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้แต่ความรู้เราไม่จริงรู้ไม่ตลอดรู้แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็เรียกเอาตัวรอดไม่ได้เมื่อเอาตัวรอดไม่ได้ก็อะไรละ่ะอย่างที่บอกโบราณก็บอกว่าความรู้ทั้งหมดตัวไม่รอดเพราะนววิชาคืออะไร คำถามนะั้นเกิดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์เช่นเดียวกันเช่นเดิมนะครว่าพิสูุทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออวิชชาจึงมีพิสูจทั้งหลายได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะคิดโดยแยบขายแก่เราว่าเพราะอวิชชา นี่เองอยู่สังขารจึงมีสังขารทั้งหลายมีพระวิชาเป็นปัจจัยดังนี้และเพราะวิชาเป็นปัจจัยก็เกิดสังขารก็ย้อนกลับเลยนะย้อนไปจากจากคนลงไปหาปลายต่อไปก็แสดงว่าทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของการอะไรกันได้ทีนี้อวิชานั่นคืออะไรอวิชาตามปกติเราจะพูดอยู่สองกลุ่มใหญ่ ทรงนิยามเองนะฮะว่าอาวิชชาอัวตวตตุกาอาวิชชามีวัตถุอยู่8ประการคือหนึ่งดุกขายญาณังไม่รู้ทุกขะส ม, มุทัยอเอายญาณังไม่รู้ทุกขสมมติไทยดุขะนิโรเทญาณังไม่รู้ความดับทุกขุกะนิโรธคามินีป ฏ, ปฏิปดายาญาณังไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข แล้วก็อติเตอญาณังไม่รู้อดีตนาคาเตยอยญาณังไม่รู้นาคตอติตานาคเตอญาณังไม่รู้ทั้งอดีตนาคตปฏิจจสมบัตอญาณังไม่รู้ในกฎของปฏิจจสมบาทหรือปัจจัยาการเพราะฉนั้นเราสังเกตว่าอวิชานั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วก็เรื่องไม่รู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจัยการเนี่ยถ้าเรารู้อริยสัจสี่อย่างนี้ก็รู้นะอีกสี่ข้อหลังนี่ก็รู้เพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสี่อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงอยู่กับอริยสัจสี่มันเพียงแต่ ว, ว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลเท่านั้นเองเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยหรือหมายความว่า ถามว่าคนเราเคยเกิดมาหรือไม่เราก็ถามว่าใครเกิดทีนี้ถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดคนก็เกิดเหตุปัจจัยแม่เกิดคนก็ไม่เกิดเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็เหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันจะเกิดหรือไม่เกิดจะมีหรือไม่มีจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยแต่ว่าการที่มีคนคนหนึ่งอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นการบ่งชี้ถึงผลในอดีต เขานั้นเป็นผลผลของวิชาสังขารวิญญาณในอดีตมาสร้างขึ้นเป็นนามรูปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาก็มีชีวิตก็แสดงวาในอดีตเขาเคยเกิดมาแล้วทีนี้จะถามว่าต่อไปในอนาคตเราจะเกิดอีกไหมจากญาณที่หลังยังรู้เกิดขึ้นภายในใจวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณปัญหาว่าคุณยังมีวิชาหรือเปล่า ถ้ามีวิชาอย่างเดียวก็แสดงว่าคุณก็มีสังขารเมื่อมีสังขารก็ต้องมีวิญญาณและวิญญาณก็ต้องมีนามรูปคุณก็ต้องเกิดตอนเกิดไม่เกิดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่การที่เราเรียนให้ชัดเจนเราก็เรียนที่ปัจจุบันแล้วก็มองความเหมือนกันในอนาคตเพียงแต่ว่าในอนาคตนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วในไม่ใช่ในอดีตนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้ว ในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นกำลังตั้งอยู่แล้วกำลังดับไปในอนาคตนั้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ตั้งอยู่ยังไม่ดับไปแต่ว่าเมื่อแกเลื่อนไหลมาอยู่ที่ปัจจุบันขนาดแกต้องเกิดขึ้นแกก็ตั้งอยู่แกก็ต้องดับไปสิ่งี่ความรู้เหล่านี้ไม่ว่าจะรู้จากหัวมาท้ายหรือจะกท้ายไปหัวก็ตามในข้อต่อไปนั้นก็ทรงหมุนกลับเลยนะเพราะวิชานี้เองมีอยู่สังขารทั้งหลายจึงได้มี สังขารทั้งหลายมีเพราะวิชาเป็นปัจจัยดังนี้เพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายตนะเพราะเกิดเพราอายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจัยจึงเกิดพราบพราะเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้ ชร า, ามรณะโศกปริเทวะอะไรต่รตตางๆตามมาเป็นแถวนะเรื่องยุ่งๆทั้งหมดเนี่ยมาจากเกิดทำเดียวทีนี้ในผู้เนียนมันก็มองเป็นกระบวนการแล้วก็ทรงสแสดงว่าความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นการพูดถึงสายเกิดแต่ว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ กระรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาในการก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้หมายความกระบวนการเหล่าเนี้ยมันมีด้วยอาการอย่างเนี้ยเรื่องเหล่านี้พระองค์ไม่เคยฟังมาเคยไม่เคยศึกษาเราเรียนมาก่อนและจากนั้นก็จะมองไปในสายดับ ก็แบบเดิมนะฮะคือตั้งคําถามแบบเดิมแต่พูดในสายดับหรือสายเกิดนี้ท่านท่านผู้ฟังลองสังเกตจริงๆเรื่องเหล่านี้ถ้าคนมากๆเนี่ยมันต้องเขียนกรกดานเขียนเป็นชาร์ตกระดานแล้วก็ชี้แล้วก็ขีดโยงอะไรอะไรให้ดูแล้วก็จะเกิดความเข้าใจสมงนี้มันมีกิเลสกรรมวิบากน ะ, ะเป็นกระบวนการไม่ได ก, กิเลสกรรมวิบากก็ได้อีกอย่างหนึ่งวัฏฏะ มันก็หมุนวนอย่างเงี้ยหมายความว่าในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันเออวิชชากระสังขานั้นเป็นอดีตเหตุวิญญาณนามรูปอยายตนะผัสสะเวทนาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันผลคือกลายเป็นชีวิตที่เราได้ในชาติเนี้ยสมมุติว่าเราเนี่ยฮะสมมุติว่าเราเนี่ยการที่เรามาเกิด่ยแสดงมาชาติก่อนเรามีกิเลสกับมีกรรมอยู่ กิเลสกับกรรมเนี่ยมันสร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณนำให้เรามาเกิดในกำเนิดต่างๆเวลานี้เราก็เกิดเป็นคนตัวลงว่าตัววิญญาณที่เข้ามาอยู่ในนามรูปเนี่ยมันก็กลายเป็นวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะเวทนาก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากกิเลสกับกรรมเราก็เรียงทั้งสามช่วงตัวเนี้ยเรียกกิเลสอวิชานั้นเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมไอ้พวกนี้เป็นวิบาก ผัววิน ญ, ญานำรูปอจตนาภาษัษสะเวทนาเนี่เป็นวิบากแต่ถ้าพูดถึงในกระบวนการของเหตุผลอวิชากระสังขารเป็นเหตุพวกนี้เป็นผลสำนวนจริงๆเขาเรียกเป็นอดีตเหตุคือเหตุในชาติก่อนนะเหตุในชาติก่อนในพบก่อนในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนว่าไปถึงในชาติก่อนในชาติก่อนๆ น, นะฮะเพราะว่ามันเป็นกระแสที่เลื่อนไหลกันมาตามเหตุปัจจัยโดยลําดับ แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราสัมผัสกับอารมณ์เนี่ยที่เราเรียกเวทนาเนี่ยพอสุกเวทนาเราก็อยากได้พอทุกขเวทนาเราก็อยากไม่ได้พอทุกขกรรมสุกเวทนามันก็กลายเป็นความโง่คือเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพอสุกเวทนาเราก็กลายเป็นกรรมตะนาพริปวัตตะนาพอทุกขเวทนาเราก็เกิดเป็นวิปวัตตะนาตะนามันก็เกิด แต่นาก็เกิดเสร็จแล้วมันก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดเนี่ยเขาติดกันนะะหมายความถ้าไม่อยากก็ไม่ยึดแต่ถ้ายึดแสดงว่าอยากหรือถ้าอยากแสดงว่าต้องยึดพวกนี้ก็อยากยึดอยากยึดอยู่ตลอดระยะเวลาที่เราสัมผัสอารมณ์จากข้างนอกรุนเนียวเนี้อรุนจากข้างในก็อยากยึดอยากยึดทีนี้อุปทานก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันเป็นอาการของปัญหานั่นเอง แต่ว่ากระจายตัวเองออกไปตามพื้นฐานของตัณหาทั้งสามเนการมุปาทานยึดมัน่นโดยอํานาจความใคร่ก็แสดงเป็นอาการของการมันตนาเป็นอาการของภาวะตัณหาทิฏฐปาทานยึดมั่นโดยอํานาจของทิฏฐิก็หมายความว่าเป็นเรื่องของความเห็นที่เราอยากรู้อยากเรียนอยากทําความเข้าใจมาแล้วก็พื้นฐานความโน้มเอียงภายในใจของเราก็ค่อนข้างจะผิดดู ในสุดมันก็ยึดด้วยอํานาจของความเห็นผิดแล้วก็อัตวาทุปาทานเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นมาจากราวะตัณหาคือรู้สึกตกเป็นตัวอัตตามบรร่ายตาของเราก็ใหญ่คิดมันก็ยึดติดด้วยอํานาจของวทะให้ความต้องการแก่กตัวเองแล้วก็ตจนศีลประปุอ่ะปาทานก็ยึดมั่นโดยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติ ที่เราเสียบคุ้นที่เราคุ้นเคยที่เราปักใจฝังใจมันก็กลายเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากตัณหาตัณหาทั้งหมดนะะตัณหาทั้งสามประการหมายความว่าที่เราไปยึดติดอยู่ในรูปแบบนั้นก็คือเราปฏิเสธรูปแบบอื่นการที่เราไม่ต้องการรูปแบบอื่นก็แสดงเรายึดติดอยู่ในรูปแบบนี้มันก็กลายเป็นหมุ น, มนวนตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันาเหตุ เป็นเหที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เพราะเรามีเชื้อคือกิเลสอยู่ก่อนแต่การที่มีเชื้อกิเลสอยู่ก่อนเนี่ยเวลาสัมผัสกา ร, รมทั้งหลายกิเลสมันจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเชื้อกิเลสอยู่ก่อนพอสัมผัสอารมณ์กิเลสมันก็ไม่เกิดหรอกมันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับแมเงเมลวันหยอดไข่ในหินหรือว่าในกระจกหรือว่าในพื้นไม้อะไรตัวไหน มันไม่กลายเป็นไ ข, ข่คางไม่ได้กลายเป็นนอนแต่ถ้าประโยชน์ที่อื่นมันก็เป็นไ ข, ข่คางเป็นนอนจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนี้นคือเวลาสัมผัสอารมณ์ไม่ใช่ข้อยุติว่าเราต้องยินดียินร้ายเสมอไปแม้แต่เรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ไม่ยินดียินร้ายไปทุกอารมณ์หรอกมีเป็นอันมากที่เราเกิดกุศลในเจตนาเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดกัุณาเกิดมุติตาเกิดดุเบขาเกิดธรรมะเยอะ แล้วบางทีก็เกิดเฉยๆไมยถึงได้ยินดียินร้ายอะไรแต่บางอย่างมันก็เข้าใจถ่องแท้แยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไปได้อย่างชัดเจนก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับสัมผัสด้วยเชื้อของอะไรที่มีอยู่ภายในใจในขนาดนั้นเพราะนพอมาถึงระดับพระญาบุคคลมันก็ชัดเจนพระญาบุคคลจิตใจของท่านก็เหมือนกับแผ่นกระจกเนี่ยมันไม่มีเชื้อเน่าไม่มีเชื้อหนอน พราพอแมลงวันมาแรงวันดรวไข่ลงไปมันก็กลายเป็นไข่ตัวนั้นหละมันจะตายคิเก็ตกไปจากจากกระจกจากก้อนชิ้นจากกระดานอะไร้นอะไรเนี่ยปัญหาตรงนี้จึงกลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องทีนี้เพราะว่ามีตัณหามีอุปาทานซึ่งก็เป็นกิเลสเหมือนัาวิชานั่นแหละ ก็ทําให้เกิดเป็นสังขารคือสังขารภพที่สังขารเป็นเครื่องนําไปสู่ภพ บ, บุญบาต ท, ที่นําไปสู่ภพติวสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมคือบางทีพระเจ้าทรงสแสดงทรงแสดงเป็นรูปธรรมง่ายๆนะชัดเจนเช่นว่าบุญที่บุคคลกระทําเอาไว้ย่อมต้อนรับผู้กระทําบุญซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเหมือนญาติที่รอคอยญาติอันเป็นทีละของตนซึ่งจากไปบ้าน จากไปนานแล้วกลับคืนมาสู่บ้านด้วยความชื่นชมยินดีฉะนั้นคนคนที่ทําบุญเอาไว้จึงทรงแสดงว่าเขาจะบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเระมองเห็นว่าตนได้ทําบุญเอาไว้นั่นก็แสดงว่ากระบวนการตรงนี้มันก็ไหลเลยก็หมุนหมุนมันก็กลายเป็นอะไรล่ะเป็นวงกลมที่ต่อกันไปสามช่วงเป็นเป็นใกล้ายๆกับ กล้ๆกับห่วงสามห่วงนะฮะต่อแล้วก็คร่อมเลยครอมสามชาติเลยทีเนี้ยอวิชาเป็นปัจจไม่ใช่อวิชากระสังขารเนี่ยเป็นอดีตเหตุคือมีอยู่ในชาติก่อนแล้ววิญญาณวิญญาณนามรูปอาิยตนะผัสสะเวทนาเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันผลทีนี้ตัณหาอุปาทานกับภพบกับสังขาระภพเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบั น, นเหตุ เหตุที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันเราพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันนะมันมีเชื่ออยู่ก่อนแล้วแล้วพวกนี้ก็นําไปสู่ชาติเพรา ะ, ะชาติตัวนี้มีค่าเท่ากับวิญญาณเท่ากับนามรูปนะฮะเท่ากับนามรูปเพราะว่าเป็นผลรวมของกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณเราก็เรียกตรงนี้ว่าชาติคือหมายความว่าชาติหน้าเพนื่องจากหลักตรงเนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพวกอานิสงส์ต่างๆหรือว่า บาปอกุศลทุจริตต่างๆที่บุคคลกระทำลงไปในชาติปัจจุบันพอตายไปแล้วก็จะใช้คำคำซ้ำเลยนะคำซ้าเลยแล้วก็มีเป็นร้อยๆแห่งไม่ใช่แห่งเดียวถ้าทำบาปทรอกุศลก็บอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตในรกสุรากายนั้นพวกนี้ เดี๋เพื่องก็บอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติวินิบาตนะรกเออไม่ใช่เ อ, อถ้าโพ่อทคำความดีนะฮะบอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเพี้ยนอย่างนั้นคือหมายความวิชาบัรจางลงสังขารเนี่ยมันกลายเป็นอันเดชชาหรือว่าเป็นกุศลระดับระดับที่ประณีตระดับฌานนะฮะระดับฌาน ตั น, นี้ตายไปแล้วก็จะเข้าถึงพรหมโลกซึ่งก็หมายความว่าเป็นภพแล้วก็เป็นภูมิแต่เป็นรูปาวัชุลมรูปาวจรภูมิกับรูปาวจรภูมิมีอะไรนมรูปที่ประณีตวันเมื่อนำรูปกันทำประนีตอายตนาเขาตั้นกับประณีต อายตนาปนีตสัมผัสกันทั้งกับปนีตเวทนากันทั้งกับปนีตพวกนี้เขาเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพแล้วอารมณ์จิตใจกันทั้งก็เข้าถึงทิพยภาพะหรือเป็นพรหมก็แล้วแต่นะนี่ก็คือเป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการที่คร่อมกันอยู่และจาบใดที่เราตัดวงจรตรงนี้ไม่ขาดการหมุนวนแหงสารวัตรก็เกิดขึ้นไปเรื่อย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เรียกว่าอุเท ธ, ธแห่งปุเพนวาสัญญาณกับจุตูป ป, ปาตญาณเป็นกระบวนการของสังสารวัฏซึ่งเป็นไปตามกระแสของกรรมก็ตรงกันหลักที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก้อ ง, องนำไปบุญในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย้วยทั่วกันสวัสดี